เบื้องบนคือฟากฟ้ากว้างกว่ากว้างเบื้องล่างคือผืนน้ำสีครามใสตะวันทอแสงอุ่นละมุนละไมเริ่มวันใหม่อีกครั้งที่ฝั่งชนเรือหาปลาฝาคลื่นคืนสู่ฝั่ง แต่นางนวลจากรังสู่เวหนโผบินข้ามน้ำข้ามวังบนเพื่อหลุดพ้นสู่เสรีที่หมายตาบินเถิดบินบินไปให้สุดฤทธิ์ตราบมีสิทธิ์มีแรงสแสวงหาด้วยโอกาสหนึ่งนี้ ที่เกิดมาคือค้นหาความหมายให้ชีวิตอิสระ ประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมมีอยู่ข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือการมาค้นพบตัวเองการปฏิบัติธรรมคือการมาค้นหาตัวเองมาค้นพบตัวเองให้เจอมาทำความรู้จักกับตัวเราเองให้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นอย่างไร อุปนิสัยใจคอเป็นอย่างไรใจเราเนี่ยมีกิเลสมากมีกิเลสน้อยแค่ไหนกิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองหมายถึงเครื่องสมองในทางด้านจิตใจเครื่องสมองของกิเลสนี้คือสาเหตุที่นําความทุกข์มาสู่จิตใจเรา ถ้าเรามีกิเลสมากเราก็ทุกมากถ้าเรามีกิเลสน้อยเราก็ทุกน้อยถ้าว่าเราไม่มีกิเลสเลยเราก็จะไม่มีความทุกข์เลยความทุกข์หรือความสุขเนี่ยขึ้นอยู่กับกิเลสเป็นสําคัญบางคนนี่มีความสุขมากเมื่อที่เขาก็มีกิเลสมากเหมือนกันนะ อัน น, นเป็นความสุขที่เกิดจากกิเลสแต่หาว่าบางค น, นมีความทุกข์มากนั่นก็เกิดจากกิเลสมากคือมีในจิตใจเรามากเผาผลาญจิตใจเราให้ร้อนรุ่มกลุ่มอุราก็เป็นทุกข์แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องความสุขแล้วเนี่ยมันก็มีความสุขสองอย่างสุขที่เกิดจากกิเลสอันนี้คือสุขร้อนแล้วก็สุขที่เกิดจาก เหตุที่ไม่ใช่มาจากกิเลสสุขที่เกิดจากความดีทำบุญกุศลไวมากนีที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องกิเลสทำสมาธิทำฌานปฏิบัติธรรมเป็นความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมการทำความดีอันนี้เป็นสุขสงบเย็นไม่ร้อนเพราะฉะนั้นถ้าออว่าเรามีกิเลสมาก ไม่ถึงความโลภความโกรธความหลงนี่แหละคือสาเหตุของความทุกข์ทำให้จิตใจเราเนกระวนกระวายเหน็ดเหนื่อยไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์เนี่ยประโยช์ของการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อเราเนี่ยเป็นอย่างไรคือมารู้จักตัวเราเอง ว่าเป็นสิ่งที่เราทำได้เพียงแต่เราสังเกตดูที่ตัวเราเพราะฉะนั้นชีวิตที่ผ่านมาแต่ละวันเนี่ยเราควรจะดำเนินชีวิตโดยการลดละเหตุของความทุกข์คือลดละกิเลสลดละแ ล, ะละ้วก็เลิกใจเราจะได้สบายไม่ต้องถูกกิเลสแผดเผา จะเราก็จะไม่เศร้าหมองเราจะอยู่อย่างไรที่จะอยู่ด้วยการลดละกิเลสเราก็ต้องอยู่ด้วยการมีสติสติแปลว่าความระลึกได้อยู่ด้วยความรู้ตัวเนี่ยเนี่ยคืออยู่ด้วยสติอยู่ด้วยความระลึกได้ในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถทำได้ถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอเสมอเนี่ยมันจะเกิด สัมปชัญญะเนี่ยคือความรู้ตัวทั่วพร้อมก็คือตัวปัญญานั่นเองสติระลึกได้การลืมสัมปชัญญะกันหลงสตินี่การลืมสัมปชัญญะนี่การหลงคือหลงอะไรหลงทำผิดหลงพูดผิดหลงคิดผิดบางครั้งเรามีสติ แต่ทำไมเราจรึงทำผิดเนี่ยเพราะเราขาดสัมปชัญญะขาดตัวปัญญาที่จะมารู้เท่าทันในสิ่งที่เรากระทบในบาปบุญคุณโทษอันไหนประโยชน์ไม่ใช่ประโยชนย์เราขาดปัญญาแต่ถ้าเรามีสติแล้วมีอยู่เสมอๆ เ, เนี่ยสติจะพัฒนานำเอาปัญญามาใช้แก้ปัญหา ไม่ทำตามอานาจของกิเลสได้คือราเหตุของความทุกข์ได้การฝึกเจริญสตินี่เราก็ได้ยินได้ฟังมามากก็ที่กายที่ใจเราเรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอเสมอถ้าเรามีความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยเราจะมีทั้งสติสัมปชัญญะแล้วก็มีปัญญาอยู่ในตัวเลยในแต่ละวันเนี่ยอย่าให้พลาด นึกขึ้นได้เราก็รู้สึกนึกขึ้นได้เราก็รู้สึกลืมแล้วก็แล้วไปแล้วก็เริ่มต้นและวลิกรู้ใหม่ในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยนี่เราจะอยู่ในการละเหตุของความทุกข์อยู่เสมอเสมอก็เป็นบุญเป็นกุศลในแต่ละวันเก็บเกี่ยวบุญกุศลในแต่ละวันได้เลยถ้าว่าจิตมันคิดคิดไปในทางกิเลสคิดอยากได้คิดโกรธ เราต้องมีสติรู้ทันถ้ามีสติรู้ทันเนี่ยเราจะไม่หลงนะไม่หลงคิดโลภไม่หลงคิดโกรธมันจะตัดความคิดที่เป็นกิเลสได้เพราะหลงเราจรึงโลภเพราะหลงเราจรึงโกรธเพราะหลงเราจรึงไม่รู้ตามความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยกิเลสสามกองเนี่ยโลภโกรธหลงเนี่ยสำคัญมาก เราต้องมีสติคอยลึกรู้เอาไว้แล้วก็ปล่อยวางฝึกเห็นจิตเห็นใจเมื่อเวลามันคิดปรุงแต่งแล้วก็ฝึกที่จะปล่อยวามันซะบ้างที่เราจะอยู่ด้วยการตัดเหตุของความทุกข์ได้ทันทีเลยทําไมเราจึงมีกิเลสมากอันนี้เป็นคําถามแล้วทาไมเราจึงมีกิเลสมากอันนี้เป็นเพราะว่าเรา เคยให้อาหารเขาไว้เยอะเวลาเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงเราก็ไปทําตามนะเราไปทําตามอำ น, นาจของกิเลสครั้งหนึ่งเนี่ยจิตเราก็บันทึกบันทึกกิเลสเอาไว้หนึ่งครั้งหนึ่งหน่วยแล้วแต่ถ้ามันเกิดสติขึ้นมาเวลากิเลสเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ทําตามอำนาจของกิเลสกิเลสก็ถูกตัดกําลังไปแล้วหนึ่งสติก็ได้คะแนนมาแล้วหนึ่งใช่ไหม ที่กิเลสเรามากเพราะว่าเราเคยสังสมเอาไว้เยอะเคยเชื่อเคยทาตามเขาเยอะๆมันก็เคยชิ้นที่จะเกิดบ่อยๆมเคยทิ้นที่จะเกิดกิเลอยู่เสมอๆ เ, เพราะเราเคยทำตามเขาไว้แต่ถ้าเราไม่ทำตามมันเกิดความโลภมาครั้งหนึ่งความโกรธครั้งหนึ่งเรามีสติรู้ทันบางทีมันดับไปเลย ไม่ทําตามกิเลสเนี่ยเราก็จะได้สติได้คะแนนของสติคือเราไม่ต้อนรับแขกอุปมาไม่ยังกับว่าบ้านเราเนี่ยมีแขกมาเยือนใช่ปะ ม, มีแขกมาเยี่ยมเราทําหน้าที่ต้อนรับแขกเป็นอย่างดีให้ข้าวให้น้ําให้ที่พักอาศัยพูดจาไพเราะอ่อนหวานยกอาหารที่ อ, อร่อยมาให้เขาทานเนี่ยโอ้อยังงี้ แขกก็ต้องติดใจมาบ่อย <c oughs> แล้วก็มันก็อยากจะกลับบ <c oughs> าทีมาค้างเนี่ยโวเนี่ยเี่ยวลาเราต้อนรับแขกแต่ถ้าหากว่ามีแขกมาเยือนถ้าเราไม่เต็มใจต้อนรับทำหน้าบึงบ้งปึงจาทำไมไม่สนใจเนี่ยโอแขกเขาไม่อยู่เดี๋ยวเขาก็จากไปแขกนี่คล้ายๆกิเลส น, นะ <c oughs> อะสมมุตินะอุปมา <c oughs> พกิเลสความโลภความโกรธความหลงมาสู่จิตใจเราถ้าเรามีสติรู้ทันเดี๋ยวเขาก็ดับไปอันนี้เราไม่ต้อนรับแขกแต่ถ้าเราต้อนรับคือการทําตามกิเลสนี่แหละเห็นไหมต่อไปเขาก็มาเรื่อยๆมันก็ไม่หมดจากจิตใจเราไปสักทีนึงมีแต่จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราดําเนินชีวิตอยู่ด้วยการมีสติรู้ทันกิเลสความโลภความโกรธความหลงอยู่เสมอเสมอ ก็คือรู้ทันความคิดนั่นเองไม่มีอะไรนำกิเลสมาสู่จิตใจเราครับความคิดความคิดนำเอาความโลภความโกรธความหลงมาสู่ใจเราถ้าเรามีสติรู้ทันเมื่อไหร่แล้วก็ความคิดก็จะหายไปแล้วเราก็จะมีสติปัญญาพอกพูนอยู่ในจิตใจเราเสมอๆในอารมณ์ปัจจุบันนี่แหละเราควรจะสร้างสติสร้างตัวรู้สึกสร้างตัวรู้เพื่อให้มารู้จักตัวเราเนี่ย เราจะได้มีปัญญาแก้ปัญหาชีวิตเราได้อย่าประมาทนะเรามีโอกาสที่จะเห็นธรรมะบรรลุธรรมะได้ทุกขณาดจิตเลยเรามีโอกาสอยู่เสมอๆจะปล่อยโอกาสชีวิตประจำวันเราเนี่ยให้ผ่านไปเพราะฉะนั้นต้องมีความอดทนมีความขยันที่จะฝึกสติอยู่เสมอๆในแต่ละวันในการใช้ชีวิตของเราเราต้องอดทนที่จะเรียนรู้เรื่องความทุกข์ เพื่อให้เกิดความรู้อดทนเรียนทุกเพื่อความพ้นทุกเนี่ยจึองอาศัยความขยันความเพียรความอดทนให้มากเรามีโอกาสบรรลุธรรมได้ในแต่ละวันหนึ่งถึงเจวันเป็นอย่างไวเจ็ดเดือนเป็นอย่างกลางเจ็ดปีเป็นอย่างช้าอย่างน้อยถ้าไม่บรรลุธรรมเราก็มีความทุกข์ลดน้อยลงถึงกระทั่ง ก่เราจะตายเราอาจจะเห็นผลตอนนั้นก็ได้เพราะนั้นอย่าประมาทสะสมไม่ได้เรื่อยๆการปฏิบัติธรรมทาให้เราได้มาค้นพบตัวเองได้ค้นหาตัวเองเจออย่างน้อยก็ได้มารู้จักตัวเองอันนี้คือข้อหนึ่งของประโยชน์ในการปฏิบัติธรรม